เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาจิตเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18ปพฤษภาคมพุทธศักราช5 5งพหเ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างความสุขภายในใจเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือความสุขภายนอกและความสุขภายในความสุขภายนอกหมายถึงความสุขที่เราได้สัมผัส ทางตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสโัพะต่างๆแล้วทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ ตามมาแถมตามมาด้วยเพราะเป็นความสุขที่ทำให้เรายึดติดทำให้เราต้องมีอยู่เรื่อยๆถ้าเราขาดความสุขแบบนี้เมื่อไหรเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีดูคนที่สูบบุหรีหรือดื่มสุราหรือติดยาเสษติด คนเหล่านี้เขาก็มีความสุขเวลาที่ได้ดื่มได้สูบบุหรี่ได้ดื่มสุราได้เสพยาเสพติดแต่ถ้าเวลาใดถ้าเขาไม่ได้เสพคือไม่มีเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบไม่มีเงินไปซื้อสุรามาดื่มไม่มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ หรือมีเงินแต่ไม่มีบุหรีขายไม่มีสุราขายไม่มียาเสพติดขายเขาก็จะมีความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, ทันทีต่างกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรีไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้เสพยาเสพติดเขาไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้น ถึงแม้เขาจะไม่ได้รับความสุขจากการเสพแต่เขาก็ไม่มีความทุกข์จากการที่ไม่ได้เสพดังนั้นความสุขทางภายนอกจึงเป็นความสุขที่อันตรายเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันวุ่นวายกันก็เพราะเราหาความสุขทางข้างนอกกันนั่นเอง เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราหานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยึดติดพอสิ่งที่เราได้มาเกิดจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาอยู่เราก็ห่วงเราก็หวงเราก็กังวล ไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไรไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปเมื่อไรนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาความสุขภายนอกความสุขภายนอกจึงไม่ถือว่าไม่เป็ น, ปนความสุขที่แท้จริงเป็นความเป็นความสุขปลอมความสุขที่แท้จริงนี้มีอยู่ แต่เป็นความสุขภายในความสุขภายในใจของเราที่เกิดจากการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นที่เกิดจากการทําจิตใจให้สงบระงับความฟุ้งซ่านต่างๆภายในใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง ที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่มีปัญหาต่างๆตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสุราเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยบุหรี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยยาเสพติด เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการดูการได้ยินการได้ดื่มการได้รับประทานการได้สัมผัสกับบุคคลที่เราชอบเรารักเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองเป็นความสุขที่จะติดตัวกับเราไปเสมอ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปอยู่ที่ไหนคนเดียวก็จะไม่รู้สึกว้าเวไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่เหมือนกับความสุขที่เราต้องอาศัยสิ่งภายนอกเวลาเราไปอยู่ที่ไม่มีสิ่งภายนอกให้เราให้ความสุขเราจะมีความรู้สึกว้าเวเศร้าซ้อยหงอยเหงา จนทนอยู่ไม่ได้ต้องกลับไปหาสิ่งต่างๆที่เรายังติดอยู่ทั้งๆที่พึ้นหนีจากสิ่งเหล่านั้นมาเพราะเบื่อความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีกับสิ่งเหล่านั้นแต่ก็จากมาได้ไม่นานพอมาเจอความว้าวเวยเจอความเศร้าส้อยหงอยเหงาก็ทนไม่ได้ ก็ขอกลับไปทนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากปัญหาต่างๆกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆชีวิตของเราจึงไม่เคยได้ว่างเว้นจากปัญหาว่างเว้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยเพราะเราเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอยู่กับความทุกข์ความวุ่นวายใจตลอดเวลานั่นเอง เราไม่มีสติปัญญาความฉลาดพอที่จะมองเห็นถึงความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่เราไม่มีสติปัญญาพอที่จะเห็นทางออกได้ถึงแม้จะมีผู้ชี้ทางออกให้เราก็ไม่มีสติปัญญาที่จะเดินไปในทางนั้นเพราะ เรากลัวความว้าเหวเรากลัวความเศร้าสร้อยหนอยเหงาเราจึงเป็นเหมือนกับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่กล้ารักษาหมอบอกให้ผ่า <c oughs> เนื้องอกตัดทิ้งไปก็กลัวเจ็บก็ไม่กล้าผ่าก็ปล่อยทิ้งไว้อยู่ในร่างกายจนมันรางไปทั่วไปหมดถึงกับ ข้าเราได้ในที่สุดดังนั้นขอให้เราจงเห็นว่าความสุขต่างๆนี้เป็นเหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องรักษาถ้าเราอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราอย่าไปกลัวความเจ็บเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการรักษาพยาบาลเพราะเมื่อหลังจากที่รักษาเสร็จแล้ว ความเจ็บต่างๆก็จะหายไปหมดความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะหายไปหมดจะเหลือแต่ความสุขความสบายไปตลอดระหว่างความเจ็บไข้ได้ป่วยกับการหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งไหนจะดีกว่ากันเรายอมรู้แก่ใจของเราฉันใดความทุกข์ต่างๆที่เรา เพราะเชิญอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนโครคภัยไข้เจ็บของจิตใจที่เราควรจะรักษาที่เรารักษาได้ถ้าเรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานำเอาไปปฏิบัติ เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจของเราโรคซึมเศร้าโรคว้าเหวโรคเศร้าซ้อยหงอยหเหงาโรคหวาดกลัวโรคกังวลโรควุ่นวายใจต่างๆจะหายไปหมดไม่มีเหลืออยู่ในใจของเราเลย ถ้าเรานําเอาธรรมโอสถอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาชําระมารักษาใจของเราเธรรมโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันเป็นเหมือนยาที่หมอให้รับประทานไม่ได้ให้ยาเพียงอย่างเดียวเม็ดเดียวชนิดเดียวแต่ให้ให้ยาหลายชนิดด้วยกันเพราะจําเป็น ต่อการรักษาโรคฉันใดโรคใจก็จำเป็นที่จะต้องมีธรรมโอสถ์หลายชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือเราต้องทำความดีคือเราต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นมีแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น 2. เราต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น 3. เราต้องทำจิตใจของเราให้สงบด้วยการกําจัดสิ่งที่สร้างความฟุง้งซ่านวุ่นวายใจต่างๆก็คือกิเลสต่างๆนั่นเอง ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนี่คือธรรมโอสามชนิดด้วยกันที่เราควรที่จะนำเอามาใช้กับการรักษาใจของเราเพราะถ้าเราได้นำเข้ามารักษาแล้วใจของเราจะดีวันดีคืนความทุกข์ต่างๆจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ความสุขต่างๆจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของได้ไม่ได้สมวนสิทธิ์ไว้กับเฉพาะ คนร่ำรวยหรือคนมีฐานะมีตำแหน่งสูงๆความสุขแบบนี้ขอทานก็มีได้คนยากคนจนก็มีได้คนต่ำต้อยเป็นพานโลเป็นคนรับใช้ทำความสะอาดก็มีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรี ถึงจะมีความสุขอย่างที่แท้จริงได้ดังนั้นจึงขอให้เราจงพยายามเข้าหาความสุขแบบนี้กันเถิดเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงก็คือการ ทำความดีต่างๆเช่นมีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้พอที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ <c oughs> ก็ควรจะแบ่งกันไปอย่าหวงเก็บเอาไว้นอกจากจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้บ้าง <c oughs> เผื่ออนาคต <c oughs> เผื่อวันที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองได้ เราจะได้มีเงินทองส่วนนี้ที่เราเก็บเอาไว้เป็นส่วนดูแลรักษาชีวิตของเราถ้าเรามีพอเพียงเก็บไว้พอเพียงแล้วก็ควรที่จะนำเอาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเริ่มต้นจากคนในบ้านของเราก่อนดูแลคนใกล้ชิดของเราก่อนดูแลสามีดูแลภรรยา ดูแลบุตริดาดูแลบิดามานดาต่อจากนั้นก็ดูแลญาติสนิทมิตรสายดูแลคนอื่นต่อไปคนที่เขาทุกข์ยากลำบากเขาไม่สามารถช่วยตนเองได้เช่นคนพิการคนชราหรือเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าเราช่วยเขาได้เราจะ มีความสุขนี่แหละคือบุญคำว่าบุญแปลว่าความสุขใจคือความสุขใจที่เกิดจากการกระทําเพื่อผู้อื่นการกระทําเพื่อตัวเราเองแล้วเกิดความสุขเราไม่เรียกว่าบุญแต่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเช่นเราเดื่มสุราเราได้ความสุข แต่ความสุขนี้มันไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นกุศลแต่มันเป็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปหรือการไปเล่นการพนันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองเวลาทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญา ที่จะเชื่อมเหตุและผลได้เวลามีทุกข์ก็ไม่สามารถค้นหาเหตุได้ว่าทุกข์เพราะอะไรต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราเห็นว่าความทุกข์ของพวกเราทุกวันนี้ก็เพราะเราหาความสุขภายนอกกันนั่นเองหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน หาความสุขที่กับสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราไม่หาความสุขกับสิ่งที่ให้ความสุขอย่างแท้จริงกับเรานั่นก็คือการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นนั่นเองอย่างวันนี้อย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาดูแลได้มาสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร ให้ได้มีอาหารรับประทานให้มีเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเมื่อท่านทำแล้วท่านจะมีความรู้สึกมีความสุขใจจะสุขมากสุขน้อยก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของท่านว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรถ้าช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ ที่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะมีความสุขมากถ้าช่วยเหลือแล้วมีความต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่รับการช่วยเหลือเ <c oughs> ช่นอยากจะให้เขาขอบอกขอบใจอยากจะให้เขาอนุโมทนายถาสัพีให้อยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นคนดี เช่นประกาศชื่อว่าวันนี้ในกอในขอได้บริจาคเงินจำนวนนั้นจำนวนนี้ถ้าเกิดไม่ได้รับสิ่งที่เราปรารถนาเราก็จะมีความรู้สึกเสียใจไม่สบายใจความสุขที่พึงจะได้รับจากการทำบุญก็เลยถูกความทุกมากรบไป ถูกความอยากถูกติเลธความโลภมากุบไปดังนั้นเวลาทำบุญเวลาช่วยเหลือผู้อื่นขอให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้ความช่วยเหลือแม้แต่นิดเดียวเราช่วยเหลือเพราะเราอยากจะให้เขามีความสุขเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเรา ก็อยากไปสนใจเพราะจะทำให้เราไม่ได้รับความสุขดังที่มีคำพูดว่าทำไปเพื่อเอาบุญไม่ได้ทำไปเพื่อเอาบุญคุณถ้าทำเพื่อเอาบุญคุณนี้จะไม่ได้ความสุขใจเพราะจะมัวกังวลอยู่กับบุญคุณที่จะได้รับจากเขานั่นเองแต่ถ้าทำ เพื่อบุญอย่างเดียวจะไม่สนใจว่าเขาจะตอบแทนเราหรือไม่อย่างไรเราก็จะได้รับความสุขทันทีและทำแล้วก็ต้องปล่อยด้วยทำแล้วอย่าไปยึดกับของที่เราให้ผู้อื่นไปของที่เราให้เขาไปแล้วต้องถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเขาจะไปทำอะไรอย่าไปสนใจ เขาจะไปให้ใครต่อหรือไม่ก็อย่าไปสนใจเขาจะเอาไปผู้ย่ำผู้ยีอย่างใหญ่อย่างไรก็อย่าไปสนใจถ้าเรารู้ภายหลังว่าเขาไม่ได้ทำเอาไปทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับตัวเขาก็ดีหรือกับผู้อื่นก็ดีโอกาสต่อไปเราก็อย่าไปให้เขาก็แล้วกันคือ สิ่งที่เราให้ไปนี้อย่างน้อยเขาก็ควรที่จะนําเอาไปทําเป็นประโยชน์ถ้าไม่กลับตัวเขาเองก็กับผู้อื่นแต่ถ้าเขานําเอาไปใช้ในสิ่งที่เกิดความเสียหายเช่นเอาไปดื่มสุรายาเมาเอาไปซื้อยาเสพติดอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะให้เขาในโอกาสต่อไป พอให้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ตอนที่เราให้ไปแล้วส่วนที่ให้เราให้ไปแล้วเราก็อย่าไปยึดติดถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันถือว่าเป็นการซื้อความรู้อย่างหนึ่งแล้วเราก็ยังจะมีความสุขอยู่กับการให้ได้นี่คือความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าบุญอยู่ตรงนี้ อยู่ที่การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่การให้โดยที่ไม่ยึดติดให้แล้วก็ให้ไปเลยไม่ถือว่าเป็นของของตนอีกต่อไปการให้แบบนี้เรียกว่าเป็นบุญถ้าให้แล้วต้องการผลตอบแทนเรียกว่าเป็นบุญคุณไม่ใช่บุญก็จะไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควร หรืออาจจะได้รับความทุกข์ใจได้รับความเสียใจเกิดขึ้นมาภายหลังดังนั้นเวลาที่เราจะให้ใครขอให้เราคิดให้ดีเสียก่อนคิดให้รอบคอบเสียก่อนเมื่อเราคิดดีแล้วรอบคอบแล้วคิดว่าจะเกิดประโยชน์แล้วเราก็ให้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปกังวลเพราะจะทําให้ บุญที่เราจะได้รับคือความสุขใจนั้นมันหายไปและการทําบุญนี้ก็สามารถทําได้กับบุคคลทุกชนิดไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นคารวาสหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็มีความจําเป็นเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเรื่องปัจจัยสี่ ทุกคนจำเป็นจะต้องมีด้วยกันทั้งนั้นถ้าเขาขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคาราวาสหรือเป็นสุนัข ก, ก็ตามเราก็ช่วยเหลือเขาได้เราก็จะได้บุญเหมือนกันคือเราจะได้รับความสุขใจเหมือนกันนั่นเองแต่ส่วนที่บุคคลที่เราช่วยเหลือนั้นจะทำประโยชน์ให้กับเราต่อไปได้หรือไม่นั้น ก็มีความต่างกันถ้าเราช่วยเหลือสุนัขอย่างมากสุนัขจะช่วยเราได้ก็คือคอยเหา่าคอยเฝ้าบ้านคอยไล่ขโมยให้กับเราถ้าเราช่วยเหลือกับคนคนเขาก็อาจจะช่วยเหลือเราได้ในยามที่เราเดือดร้อนหรือเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้ถ้าเราทํากับพระ เราก็จะได้รับการสั่งอบรมสั่งสอนได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะธรรมะเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของปัจจัยสี่หรือเรื่องของความจำเป็นเรื่องของมนุษยธรรมคือช่วยเหลือให้ พ้นจากความขาดแคลนเดือดร้อนก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกว่าเป็นภาพเป็นคาราว่าหรือเป็นสุนัขถ้าเขาเดือดร้อนโซเซมาไม่มีข้าวกินเราก็ช่วยเหลือเขาไปให้เขาได้มีอาหารมีข้าวรับประทานแต่ถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นคือเราอยากจะสนับสนุนให้เขาได้ทำประโยชน์ให้ทำความดี เราก็ควรจะเลือกสนับสนุนคนที่ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยสนับสนุนคนที่ต่ำกว่าลงมาเช่นทำบุญกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะได้ประโยชน์มากเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนดีมากเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกได้มาถ้าเราสนับสนุนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้สามารถทำประโยชน์ให้กับโลกไป ได้มากๆนั่นเองดังนั้นเวลาทำบุญเพื่อการสนับสนุนให้คนดีได้ทำประโยชน์เราก็ต้องเลือกเอาคนที่ดีที่สุดแล้วค่อยเลื่อนตามลาดับลงมาถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่ต้องทำไม่ต้องสนับสนุนเลยเช่นคนชอบคนรักเล็กขโมยน้อยคนเล่นการพรนันคนเสพชูลายาเมาคนติดยาเสพติด อย่างนี้ไม่ต้องสนับสนุนไม่ต้องให้เงินให้ทองเขาเพราะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เขาทำในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวของเขาเองเช่นเวลาซื้อของขวัญไปให้คนในงานวันเกิดหรืองานต่างๆก็อย่าซื้อบุรีอย่าซื้อสุรายาเมาไปให้เขามันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ มันมีแต่โทษนี่คือเรื่องของการทำบุญการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนผู้อื่นถ้าเป็นเรื่องของความจำเป็นอดอยากขาดแคลนก็ช่วยได้บทไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิน้นเป็นโจรก็ต้องช่วยพวกคนที่ถูกจับเข้าไปขังอยู่ในคุกก็ยังต้องรับประทานอาหารเขาไม่ได้ปล่อยให้อดอยากขาดแคลน ตำรวจเวลายิงผู้ร้ายบาดเจ็บก็ต้องจับเอาไปโรงพยาบาลไปให้หมอรักษาเรื่องของมนุษยธรรมนี้จำเป็นต้องดูแลกันไปแต่เรื่องการสนับสนุนให้เขาได้ทำกิจกรรมต่างๆนั้นต้องอยู่ที่ความดีและความรู้ความสามารถของเขาเช่นเวลาเราเลือกสส อ, อย่างนี้เป็นต้น เลือกผู้แทนต่างๆเราก็ควรที่จะเลือกคนดีสนับสนุนคนดีอย่าไปสนับสนุนคนที่จะมากองบ้านกองเมืองกินบ้านกินเมืองเพราะบ้านเมืองจะล่มจมเพราะการสนับสนุนคนแบบนี้ดังนั้นเวลาทำบุญเวลาช่วยเหลือผู้อื่นขอให้เราใช้ปัญญาพิิตรพิจารณาทั้งบุคคลภายนอก และทั้งความบริสุทธิ์ใจภายในของเราถ้าเราตั้งใจจะช่วยใครแล้วขอให้เราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจและขอให้เราเลือกคนดีๆถ้าเราต้องการจะสนับสนุนให้เขาได้ทําความดีจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามให้ความสนใจต่อการสร้างความสุขภายในใจนี้ กาเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดและจะทาให้เราไม่หิวไม่กระหายไม่อยากกับการหาความสุขภายนอกที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาจึงขอฝากเรื่องของความสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและความสุขภายนอกที่เป็นความสุขปลอม นี้ให้ท่านได้นำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย